เพราะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้คงเป็นการนำศึกษาพระพุทธธรรมระับจัดเล่าให้ประสงค์บ้างให้บุคคลบ้างฟังก่อนที่จะท่งสัตว์รูซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นการต่อสู้ที่ ลองผิดลองถูกมากมายเหลือเกินแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมีความเชื่อมั่นในพระองค์สูงมากไม่เคยท้อถอยไม่เคยหวั่นไหวไม่เคยวอกแวกคือก้าวรุดไปข้างหน้าอย่างแน่แน่มั่นคงแต่ในที่หนึ่งรับสั่งเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังก็ความในตอนนี้จะเป็นการ ย้ำเตือนว่าเป็นเรื่องก่อนนะไม่ใช่เรื่องปัจจุบันรัสั่งว่าพิสูจนทั้งหลายครั้งก่อนแต่การสัตรู้เมื่อเรายังไม่ได้สัตรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แต่มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่ากรรมคุณห้าที่เป็นอดีตที่เราเคยสัมผัสมาแล้วแต่ก่อนระดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนก็จริงแต่โดยมากจิตของเราเมื่อจะแล่น ก็จะแล่นไปสู่กามคุณเป็นอดีตนั้นน้อยนักที่จะแล่นไปสู่กามคุณในปัจจุบันเรื่องอนาคตดัตงนี้ประเด็นตรนี้เป็นประเด็นที่ควรทําความเข้าใจนะคําว่าการมคุณแปลว่ากลุ่มหรือว่าคุณของกรรมหรือว่ากลุ่มกามโดยตามปกติเราจะพูดไว้ห้าข้อนะคือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรส เป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเรียกว่าผลพัณฑ์แล้วก็หกทั้งธรรมอารมณ์เืออารมณ์ที่เกิดภายในใจแต่ว่าธรรมอารมณ์นั้นที่จริงก็คือรูปเสียงกิริยผลภัณฑ์นั่นเองแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ที่เป็นอดีตนั้นค่อนข้างชัดเจนเโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือวัยของคนที่คอยขันต่ออารมณ์ทั้งหลาย เรสังเกตว่าถ้าเป็นคนแก่แล้วนี่จะอยู่กับอดีตมากเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันนั้นไม่มีไม่มีอะไรน่าพิโรธดนดีดูรูปร่างหน้าตาดูผิวพรรณดูร่างกายดูวัววะการเคลื่อนไหวแกง่งอมอมผอมโซผิวเหี่ยวย่นตาคราบมัวโอ้มันไม่น่าจะอับยิสักอย่ง่งเลยก็ไม่เพลินย่กับปัจจุบันคนก็พยายามจะวิ่งหนีตัวเอง นี้ตัวเองดีที่สุดก็คือไปอยู่กับอารมณ์ในอนดีตอดีตนั้นมันจะเป็นเรื่องแปลกคือมนุษย์จะแก้ต่างให้แก่ตัวเองลึกๆนะฮะอารมณ์ไม่ดีในอนดีตจะไม่ค่อยนำมาคิดในปัจจุบันเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับตัวเองแต่ถ้าเกี่ยวกับคนอื่นคิดนฮะพวกพยาบาทเนี่ยจะคิดแต่ถ้าเกี่ยวกับตัวเองแล้วจะเอาเรื่องดีๆเนี่ยมาพูดเรื่องไม่ดีไม่พูดหรอก คล้ายๆกับเวลาเราเขียนประวัติคนตายลองสังเกตนะเขียนประวัติคนตายนั้นเราจะไม่พูดถึงความไม่ดีมีเคยมีหนังสือเล่มหนึ่งเ ด, เดี๋ยวลองเปิดดูลูกๆนะหนังสือก็วางอยู่ที่ห้องสมุดที่เมาท์ทะไลยมางกุฎราชเวทไลเขามอบให้ห้องสมุดเป็นเรื่องของสามีที่เขียนถึงพัญญา พนาความอะเลศอร่อยความสนุสนานของกรรมคุณเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเราก็บอกเออเราก็ไม่เคยเจอหนังสืออย่างเงี้ยแกก็เล่าหมดนะะทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งอะไรอะไรแกก็เล่าหมดเลยเล่าไปในหนังสือก็เป็นเป็นเอกสารที่แปลกเอ่อเพราะฉะนั้นจิตของพระโพธิสัตว์เอง ก็ชัดเจนนะฮะเพราะว่าตอนรองอยู่ในวังเนี่ยเรียกว่าปลนปรือกันเลยบำเรอนะฮะไม่ใช่บำรุงก็ยังนึกว่ามันน่าจะสำลักกามมาขุณอะไปทําไปเพราะว่าสิ่งที่ปรุงแต่งมันมันหรูหราฟู่มฟ้าหรือเกินทุ่มเทลงไปเต็มที่เพราะเป็นความหวังของพระปริยรญาติคือเรานึกถึงราชวงศ์ศักดยะไม่ใช่ราชวงศ์ใหญ่นะฮะ แต่ว่าเชื้อสายใหญ่แั่นั่นเองอาณาเขตปกครองไม่ได้ใหญ่โตแล้วก็อยู่ในเรียกว่าอารักขาเป็นรัฐในรักขาของเพรนโกสลกาศีโกสนนะฮะเพราะ ง, งาั้นพระราชวงศ์ทั้งหลายก็ปรารถนาจะให้ใบุคคลในราชวงศ์เนี่ยเป็นพระเจ้าจาั ก, กรพรรดิสักองค์หนึ่ง ปื้จะยิ่งใหญ่สมกับอาทิตยโครหรือสุริยวงศ์ผลจะกปนปลือทุ่มเทลงไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอั้นมากลองสังเกตว่ากิจกรรมบางอย่างนะเช่นว่าตอนที่ต้องการให้เจ้าชาทิตตถสนระไทยผู้หญิงนะเพราะว่าประชนบนภาาตั้งสิบหกแล้วสิบหกเกือบเต็มแล้วยังไม่แสดงความสนระไทยผู้หญิงเลย แล้วก็ห้อมล้อมอยู่ในแวทวงสาวสรรกำนันใานมากมายก่กองนะเราลองนึกดูก็แเลยกันว่าวัยรุ่นนะะวัยรุ่นขนาดนั้นแล้วอยู่ท่ากลางผู้หญิงสาวสรรกำนันในมากมายขนาดนั้นแล้วกไ็ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนพระเจ้าสุโทธทนะเองก็ทรงวิตกังบลเกณฑ์สาวสารสาวสวยทั่วสองรัฐนะฮะสองสองแคว้น ทั้งแควนสักกะแล้วก็ทั้งกรุงก บ, บิลพัทเทวัาหานะฮะทั้งสองแคว้นใหญ่เพื่อให้เจ้าชายจิตตธาสนวัทยผู้หญิงก็แสดงว่าแต่ละฝ่ายนี่ให้ความร่วมมือกันเพรา ะ, ะนั้นเราจะดูรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยในอดีตเนี่ยมันน่าเพลิดเพลินชื่นชมยินดีสมัคบรบุคคลที่มีปกติลง แล้วก็ธรรมชาติสัตว์โลกก็หลงอย่างนั้นนะอย่างที่ทรงแสดงไว้ในพระบาลีว่าเยธาปัสสะที่บังโลกังกิตังราชระทูปะมังยัตถาลาวิสีดันตินติสังโฆวิชาณตังสู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุรัชรสที่พวกคนเขาคล้องอยู่แต่พวกผู้รู้อ่ะคล้องอยู่ไปโลกมันเป็นอย่างนั้นนะ เะะั้นเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์มีลักษณะของผู้รู้แต่อย่าลืมนะฮะคือเมื่อมาบำเพ็ญเพียรลองผิดลองถูกอยู่พระไทยก็แว บ, บไปบ้างอย่างที่เล่าเนี่ยพอแว บ, บไปในแทนที่จะอยู่กับปัจจุบันไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่ในอดีตทำไมาอยู่อยู่ในอดีตเพราะว่าปัจจุบันไม่มีอะไรนะพระองค์อยู่ในป่า เป็นนักบวชที่พิกขาจาร์ไม่มีรูปเสียงกรียนรสสัมผัสที่ปรุงแต่งหรือคัดสรรขึ้นมาเพื่อปลนปลือบำรุงบำเรอแต่ประการใดยิ่งอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่กรรมคุณอนาคตเป็นเป้าหมายอย่างหนเพราะฉะนั้ น, น, น, นรับสั่งเล่าจึงเล่าเฉพาะที่ไปอดีตคือย้อนกลับเข้าไปสู่อดีตแม้เวลาทรงแสดงเรื่องเมถุ น, นสังโยคคือจิตที่ประกอบด้วยเมถุนของนักบวชเนี่ยมันก็แกล้ง แกว่งไปสู่อดีตแล้วกำหนัดเพื่อเพลิน อ, อยี่กับอดีตต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นในอนดีตท้าเล่าเรื่องจริงนะฮะแต่ว่าเป็นเป็นนิทัศนะโอตาหรอนที่ชวนให้คิดให้คนเราไม่ประมาทเราถึงพระหลวงตาหลวงตารูปหนึ่งนี่บวชมาได้สามบรรษาคือลาครอบครัวว่าจะบวชสักสามเดือนนะนะ แต่ก็เกิดพอใจติดใจในวิถีชีวิตของพระหรือยังไงก็ไม่ทราบ ก, ก็บวชไปได้ถึง 3, สามพรรษาปัญญาเองก็ไม่อยากจะไปทวงพระแต่ก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีสามีอยู่เป็นหลักให้แกครอบครัวเนี่ยแกก็แย่เหมือนกันแกะก็หนักเหมือนกันที่บ้านเด็กก็ส่งลูกสาวไปถามหลวงพ่อดู ว่าหลวงพ่อจะศึกหรือไม่ศึกก็ยืนยันว่าไม่ศึกไม่ศึกมันก็ต้องคิดวิธีทดสอบกันหน่อยว่าให้แน่จริงๆนะะเพราะว่าแกก็ต้องเลือกทางเดินของแกเหมือนกันตัวเองก็ไปบอกว่ามันมีคนมาสู่ขอลูกสาวไม่ทราบพระท่านจะว่ายังไงบ้างโอ้ยเรื่องของชาวบ้านพระไม่เกี่ยว คุณทำอะไรก็ทำไปเถอะฉันเป็นพระเป็นเจ้าไปเธอพูดเรื่องแต่งวงแต่งงานไม่ได้อืก็แสดงว่าใจก็เอาจริงต่อมาก็ไปบอกว่าถ้าท่านไม่ศึกเนี่ยนามันเยอะเหลือทำไม่หมดก็จะขายบ้างเ้ยขายก็ขายไปเถอะไม่ต้องบอกอาตมาหรอก จะมาเป็นพระเป็นเจ้าจะไปขายนงคายน้าได้ยังไงอือก็แสดงว่าแน่มากางนันนะเสร็จแล้วก็ส่งลูกสาวไปให้หลวงพ่อยินยันอีกครั้งหนึ่งเพราะลูกสาวเนี่ยก็พูดได้คล่องกว่านะหลวงพ่อยินยันแน่นาไม่ศึกนะยืนยันลูกสาวบอกว่าคือมีน้าข้างบ้านเนี่ยเขามาชอบชอบแม่จ้ะ เขาก็เป็นไหมนะแม่ก็เป็นไหมหถ้าพ่อไม่ศึกแน่เนี่ยแม่ก็จะยินดีรับผู้ชายคนนั้นมาเป็นสามีตาบะแตกเนี่ย น, นะเฮ้ยอย่างนั้นเหรออย่างงั้นแกไปตัดผ้าพรุ่งนี้ข้าศึกเลยเห็นไหมฮะลักษณะอย่างนี้มันจะไปอยู่กับอดีบ แล้วก็ถ้าเราไปดูในมุมที่เราดูในวันนาคดียกตัวอย่างเช่นตอนที่อนุมานไปทําลายพิธีกรรมของทศกัณฐ์นะทําลายไม่ใช่เล่นนะเอาทุกอย่างเลยสบ ป, ประมาทดูถูกดูหมิ่นเหยียดย่ำด่าทอเว้ยสารพัดเลยกลถึงโทษเลยทศกัณฐ์ตาบะไม่แตกแต่พอนางมนโทมากะทําย่ายีต่อหน้าท่านเองทศกัณฐ์าบะแตกไง เพื่นจุดอ่อนของอารมณ์เนี่ยสิเนหาเยื่อใ่ในกรรมคุณมันเป็นปัญหาที่ผาใจให้เพลิดแล้วก็ให้เพลินแล้วก็ยึดติดเพระฉะนการมองสิ่งเหล่านี้จะต้องมองชัดเจนนะถ้าไม่งั้นแล้วสลัดได้ยากอย่างที่โลกนิตฐเขา แต่งเอาไว้ว่ามีบุตรบวงหนึ่งเกี้ยวพันคอซับผูกบาทาครอหน่วงไว้พัญญายเยื่องบ่วงปอรึงรัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารเนี่ยเาจะลือมอดีตเนี่ยมันน่าเพลิดเพลินใช่มาพระโพธิสัตว์เนี่ยทรัพย์สริงคันทุกสิ่งทุกอย่างราบยสศสรรเสริญสุขบริสัทบริวารรออ ม, อ ม, อมเต็บไปหมดเลย ทุกคนล้วนแล้วแต่เอาประทายหวังเจียวพึ่งผำนักอาศัยที่จะให้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเพราะจินกู้เวียงไปเพียงไปสู่อดีตแล้วเวียงไปอดีตเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันไปตกคลักนะอารมณ์อดีตเนี่ยใกล้ๆก็แผ่นเสียงตกรองเพราะนั้นก็เกิดวิธีคิดใหม่ขึ้นมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายความตกลงใจได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าความไม่ประมาทและสติ เปิ่งซึ่งเราผู้หวังประโยชน์แก่ตนเองพึงกระทําให้เป็นเครื่องป้องกันจิตในเพราะกามคุณห้าอันเป็นอดีตที่เราเคยสัมผัสมาและดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนนั้นคือในแง่ของกรารมคุณเนี่ยกามคุณก็คือเป็นสภาวธรรมโดยสถานะของมันมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละมันก็ตกอยู่ในกฎของตจลกักณแล้วตัวมันเนี่ยไม่ใช่จริงหรอก มันเป็นมายาเฉยๆเราเจนว่าถ้าเราดูเป็นภาพรวมของขันห้าตัวไหนล่ะที่มันที่มันเป็นเป็นจริงๆเป็นตัวทาวรมันไม่ได้มีอะไรจริงสักอย่างหนึ่งแต่เป็นการเกาะกลุ่มกันอย่างมีสัดส่วนเท่านั้นเองจิตใจเราก็ปักใจฝังใจไปยึดติดอยู่ในสิ่งแบนั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งพระเจ้าก็สอนให้มองรูปเนี่ยเหมือนกับ ฟองน้ำเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเกิดแล้วก็อยู่นานหน่อยเวลานา้นเหมือนก็ตอมนะ้ำสัญญาล่ะเหมือนกับพยับแดดเหมือนกับจริงแต่ไม่จริงแค่ๆก็เรานั่งรถไปมองไปข้างหน้าเห็นถนนเป็นมันเมื่อมน่าจะนิ่มมากแต่ก็ไม่เคยถึงจริงสักทีหนึ่งมันอยู่ระรยะ น, น, นั้น่ะ นั่นคือสัญญาความจำได้หมายรู้ทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนกับพยับแดดมันแว บ, บมาแล้วก็บแป บ, บไปยิ่งแก่เท่าชารลาลงไปความจำก็หลงหล ง, ล, งลืมลืมเลื่อนไปไม่มีอะไรที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอย่างแท้จริงพอ ม, มาดูสังขารสังขารในที่นี้เน้นไปที่สังขารนั่นนะสังขารที่เป็นรู ป, ปรธรรมมาก แต่สังขารในขันห้าที่จริงเน้นที่นามธรรมเอาเหมือนก็กอะกล้วยคือสังขารที่มีใจครองหรือไม่มีใจครองทั้งหลายเนะี่ะมองมองตรงนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นเป็ น, ปนสิ่งที่เรายึดติดแต่ที่จริงมันมันเองมันก็เป็นรูปนะฮะเพียงแต่ว่าท่านเอาอุ ป, ปมาเอาเหมือนก็เกอะกล้วยซึ่งพอปอกกลับออกไปแล้วมันหากล้วยไม่เจอกอกล้วยไม่เจอ เพราะในสังขารทั้งหลายทั้งที่สังขารในขันห้าหรือสังขารทั่วไปก็เหมือนกันลักษณะอย่างนั้นมันเป็นการผสมปรุงแต่งกันเฉยๆไม่มีตัวตนอะไรที่จะไปยึดมั่นหรือมั่นได้อย่างนั้นพอมาถึงบิญญาณก็เหมือนกับมายาการลิญญาณมันก็จริงแต่ไม่จริงมือก็มีแต่ไม่มีนะแสยงว่าเป็นภาพมายาเฉยๆแต่ว่าคนเราแปลไปหลงยึดติดในภาพมายาตรงนั้น ๋ยวตัวอย่างเช่นว่าเราดูละครดูดูดูโทรทัศน์เนี่ยชัดเจนม้างโทรทัศน์เนี่ยมันเป็นคลื่นแสงเฉยๆมันไม่มีตัวตนบุคคลอะไรแต่เราก็สนุกสนานเราเศร้าโศกเราดีใจเราเสียใจเราส่งเสียงเชียร์นะบางทีก็ตีกอลกันที่สหรัฐอเมริกาเราเชียร์อยู่ที่เมืองไทยดูกันหน้าดำาครื่เครียดเลยก็ต่อยมวยชิงแชมป์กันที่ไหนไม่รู้ แข่งขันกีฬาโอลิมปิกอยู่ที่ออสเตรเลียต่อไปนะครับว่าจะแข่งออสเตรเลียแ้วเราก็ติดตามดูแล้วก็เชียร์ก็เอาอยัางงาั้นทำยัางงาั้นต่อยยัางงาั้นวิ่งยัางงาั้นคล้ายๆกับสั่งได้นะมันเป็นลักษณะจริงๆถ้าพูดจริงๆก็คือวิปลาสวิปลาสะใจมันผิดปกติเยอะเป็นหลงโลกหลงชีวิตสมมติทบ ซ่อนสมมุติทับสมมติเข้าไปคล้ายๆเรื่องจริงแต่ว่าเท็จแล้วเราก็เป็นตุเป็นตานะเห็นมไหมเราดูภาพยนตร์เราดูการแสดงด้งดยวยอะไรร้องโหมร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจเครียดแค้นจริงชังนะโกรธเกลียวอย่างแม่ยกลิเกทั้งหลายเนี่ยยกลิเกแล้วก็ดูลิเกทั้งหลายบางทีโกรธตัวโกงจับตะบันหมากว้างขึ้นไปจากหน้าเวทีไเลยแสดงให้เห็นว่าเราหลงกับมายา มันไม่มีอย่างแท้จริงแล้วก็สมมติทับกันไปเรื่อยๆแล้วเราก็หลงติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วยิ่งอดีตเนี่ยที่ยิ่งมันเกิดขึ้นในอดีตตั้งอยู่ในอดีแล้วก็ดับไปแล้วในอดีตแล้วเป็นเนียวนึกมันได้อะไรขึ้นมาเห็นไหมโศกถึงเรื่องอดีตนี่ได้อะไรขึ้นมาอาฆาตแค้นเรื่องเรื่องอดีตนี่ได้อะไรขึ้นมาอดีตเนี่ยมันคิดได้อย่างเดียวคือเป็นครูด้า น, นเด็ เพราะมันเป็นครูอย่างดีแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วไม่ดีหมดอดีตเอามาเถอะคิดได้กลุ่มก็ไม่ดีคิดได้ดีใจดีใจยังไงก็ดีหน่อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราลองสังเกตว่าแนวอดีตพวกพวกอนุสติทั้งหลายนะ่ตามระลึกอนุสติแปลว่าตามระลึกคือย้อนอดีตไประลึกเช่นว่าพุทธานติธรรมานติสังขานติจากานติสีลานุสติอะไรแต่ไหเทวตานุตินี่ มันก็ย้อนอดีตแต่ว่าต้องเรื่องดีๆแล้วก็เอามาทำในปัจจุบันเห็นไหมเราก็รื้อมาเป็นอไนมาเป็นครูมาเป็นครูสอนในปัจจุบันเพราะอย่างที่บอกเอาไว้ว่าอาดีตนั้นใช้เป็นครูได้อย่างเดียวแต่นั้นเองแล้วถ้าเป็นความดีของเราก็เป็นบทเรียนให้กระทำต่อไปเพราะเราได้สัมผัสผลของความดีเหล่านั้นแล้วถ้าเป็นความผิดพลาดบกพร่องก็ ให้เกิดสํานึกหลาบจำอย่าไปทําอีกให้รู้จักเขตรู้จักหลาบใช่ไหมทีนี้ถ้าของคนอื่นนะของคนอื่นเราจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะพอเรื่องความดีเนี่ยส่วนมากแล้วริษยาจะแย่งชิงจะก่อนคืิฤติยาความดีของคนอีกพอเรื่องความชั่วเนี่ยวิหิงสาวันวิ่งนําเลยไปเบียดเบียนซ้ําเติมสะใจะสมน้ําหน้าอะไรแต่ไรเนี่ยเห็นไหฮะนั่นคือลักษณะธรรมชาติ ธรรมชาติของจิตแต่ถามมันได้อะไรอ่ะแต่ถ้าเรามองเป็นบทเรียนะเห็นไหมว่าคนนี้เขาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนยากจนนาเขาประสบความสมําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าตัวกลายเป็นบทเรียนเอเราต้องการผลอย่างเขาบ้างก็พยายามศึกษาแล้วเรียนเห็นไหมเวลานี้พวกเศรษฐีทั้งหลายพวกคนประสบความสมําเร็จทั้งหลายมีคําขวัญไว้ในที่ต่างๆ มีหนังสือเรียบเรียงเล่าวความคิดล่าการตัดสินใจแนวต่างแๆต่างๆเนี่ยส่งเสริมกันมาเยอะนะฮะจริงๆเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นเรื่องที่น่าศึกษาในชีวิตเราเนี่ยมันก่อนเคยอ่านอะไรแต่มันไม่มีเวลาอ่านอ่ะแนวแน ว, แนวตัวนี้คือเราไปชอบไปชอบแนวของพระพุทธเจ้ามากกว่าเพียงแต่ว่าคนเหล่านี้ถ้าเรานํามายกย่องก็ดีนะเพราะว่าเป็นเรื่องความดี ตามปกติพระเราถ้าพูดถึงความดีของคนดีที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็พูดได้แต่ถ้าพูดถึงความชั่วเขาก็พูดไม่ได้เพราะมันขาดเมตตาจิตต่อคนดีทั้งหลายเ อ, อ่อดังนั้นในกรณีตรงเนี้ยทำยังไงถ้าเราถ้าเรามองในแง่ของดีเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ เห็นไหมว่าในส่วนที่เขาประสบความล้มเหลวเราก็ถือเขาไปบทเรียนไม่ทำอย่างนั้นก็ได้ประโยชน์ปัญหาสำคัญมันก็กลับมาที่เดิมคือเราคิดยังไงแหละอันดีแต่เราคิดได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์คิดได้เสียประโยชน์ก็เสียประโยชน์ตรงนี้พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นะฮะมยโยเจ้าเริ่มต้นด้วยคิดแล้วไม่ไม่เกิดประโยชน์ ทั้งๆที่รู้แสนรู้ว่าเป็นอารมณ์ในอดีตเกิดขึ้นแล้วในอดีตตั้งอยู่แล้วในอดีตก็ดับไปแล้วในอดีตอย่างที่โบราณท่านพูดไปดีอดีตมันเป็นผีอนาคตเป็นเรื่องของเทวดาปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของเราอดีตเป็นเรื่องของผีคือตายแล้วอนาคตเป็นเรื่องของเทวดาจะให้หรือไม่ให้ก็ไม่รู้ปัจจุบันแต่นั้นเองเป็นเรื่องของเรา เพรปัจจุบันในขนานี้จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่รับสั่งไปยังไงภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้แม้จิตของเธอทั้งหลายเมื่อจะแล่นให้มาดูจิตของเราเองอย่างที่บอกท่านผู้ฟังอยู่บ่อยๆนะว่าเวลาฟังธรรมะอ่านธรรมะอย่าไปดูที่อื่นดูที่จิตกลับมองเข้าข้างในนะฮะมองกลับข้างใน แล้วอย่าไปเล็งอะไรให้มากเมื่อก่อนก็เจอท่านผู้ใหญ่ท่านบอกว่าจะคุณรักษาสุขภาพไปดีรักษาเนรักษาตัวให้ดีนะจะได้เป็นหลักปวัฒนธรรมในโอกาสต่อไปเราก็ไม่ว่าอะไรเราต้องหกสิบเจ็ดแล้วจะอยู่กี่วันเราก็ตายแนละ้วเป็นหลักอยู่ไม่ได้หรอกสังขารมันก็แตกตับแต่ว่าเราทํางานก็เราเต็มที่เท่านั้นเอง อยู่ตรงไหนก็ได้เราก็พยายามทํางานเราให้เต็มที่ท่านันไม่ต้องไปติดใจในเรื่องเรานั้นเพราะว่าอนาคตเป็นเรื่องของเทวดาเราจะไปอยู่ได้ถึงไหนเราไม่รู้แต่ว่าปัจจุบันแน่นอนเรารับผิดชอบได้ที่ปัจจุบันผลทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดส่วนตายก็คือตายก็จบ ตรงนี้หลงย้ําเตือนไม่ใช่เตือนเฉพ า, พานะพระนะคก็พึงสังเกตว่าธรรมเทศนามาลองสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องนีนเรารู้ว่าตรงนี้ชาวบ้านก็นั่งอยู่ด้ว ย, ยแต่ว่าพระก็จะนั่งอยู่ข้างหน้าเวลาฟังเนี่ยนะฮรับจะล้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยคือคล้ายๆกับอัฏฐจันทร์ครึ่งวงกลมพระสาิบุตรอยู่ด้านขวาพระโมุขลานะอยู่ ด, ด้านซ้ายของพระองค์แล้วนอก น, นั้นพระสงฆ์ก็ต่อกันมปเป็นแถว พระสงฆ์ก็หันหน้าก็หาโยมจะโยมก็หันหน้ามาทางพระสงฆ์ทีนี้บางทีเนี่ยพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งในจะอยู่ข้างหน้าก็หันหน้าเข้าหาพระพุทธเจ้าก็หันหลังให้ญาติโยมเกี่ยวึ้นจริงพิกษูตั้งหลายที่จริงพิกษุนี่แปลว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏ จะใช้เป็นคำรวมพิกเวเนี่ยจะใช้คำบอยพิกเวดูก่อนผู้เห็นภัยในสังสารวัตทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าคนที่เข้าฟังธรรมะในพระพุทธศาสนาส่วนมากแล้วเนี่ยต้องมีพื้นนะต้องเห็นภัยในสังสารวัตรในการเ ว, วทว่ายตเกิดเราจึงย้าเตือนให้ทุกคนเนะฮะที่เห็นภัยในสังสารวัตรได้วนคิดได้ฉุกคิดแล้วก็ได้ปรับความคิด เพื่อควบคุมจิตใจของเราเนไม่ให้เลื่อนไหลไปตามกระแสไปตามกระแสอารมณ์ในอนดีตั้งฟังทั้งหลายใตร่มระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาบนเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไยบูรในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี